ความเป็นอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านปูพื้นฐานเอาไว้แล้วพเราลุกศีลษกหายอยู่ข้างนอกอยู่บ้านคลองบ้านคลองเรือนก็เอาไปถือเอาไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้านในมีข้อวัดปฏิบัติมีปัดกวาดมีเช็ดมีถู มีผ่าฟืนมีหิวน้ามีมทานุน่นมีทานี้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อวัดอาศัยข้อวัดช่วยฝึกช่วยปลือเราช่วยเป็นเครื่องเสริมสร้างสติเสริมสร้างความอุตสัปพยายามความขยันหมั่นเพียรให้ข้อคิดข้ออ่าน ในการในขณะที่เราทำเหมือนอย่างที่เราปัดตาเนี่ยเราตั้งใจปัดด้วยใจที่เยือกเย็น<ม>บำเพ็ญภาวนาไปด้วยพุโทโธพุธโทโธพุทโธสํารวมระมัดระวังไปด้วยแล้วก็ปัดกวาดไปด้วยหรือไม่กับบางที่บางสถานที่ เราก็ดูแลทำความสะอาดด้วยปัดกวาดเช็ดถูไปด้วยทำเป็นประจำทำเป็นอาจินได้ความขยันได้ความอุสับพยายามได้โอกาสใช้สติใช้สัมพััญญะเพื่อให้เป็นการฝึกปรือตัวเองให้เป็นการฝึกฝนอบรม ในเมื่อเราทาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝังเอาไว้สิ่งที่ได้คือนิสัยนิสัยก็คือเคยทำทาจนชินเช่นอย่างความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูความเป็นระเบียบได้ความขยันเพราะพวกเรารู้สึกว่าอดอยากความขยันเหลือเกินฟังแต่ว่ากระดูกจะร่วงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร ขี้เกียจขี้คลานอยงก็ดูจะร่วงเยลยเราดูดูเถอะนะเนี่ยตรงกันข้ามกับความขยันคนมีความขยันหาทรัพย์ได้คนมีความขยันหาปัญญาได้คนมีความขยันหาความรู้หาความฉลาดหาความสามารถหางานดีๆหาตำแหน่งดีๆ หาความรู้ดีๆระดับหอวใจของตัวเองได้อาศัยความขยันอย่างเดียวนะสามารถเจาะภูเขาทะลุเป็นอุโมงค์ไดนะ้ฟังแต่เขาเราเรื่องสมุไรนุ่นนะญี่ปุ่นนะั่นนะ่ะสมุไรญี่ปุ่นนั่นนะเจาะภูเขาจนทะลุกลายเป็นอุโมงค์ให้คนเดินได้ แล้วก็เคยดูนิทานจํา่าซามูไรซามูไรคนหนึ่งนฆ่าฆ่าพ่อของนายคนหนึ่งตายฆ่าพ่อของนายคนหนึ่งตายแล้วก็หนีไปอยู่ไปอยู่ป่านั่นน่ะหนีไปอยู่ป่าไปเห็นความลําบากของคนเดินข้ามภูเขาลูกนี้อ่ะอืม เคยดูแล้วก็ลืมไปแล้วต้องขึ้นยากแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงภูเขาเจ้าจ่อแบบนั้นเถอะก็เลยตัดสินใจเจาะ อ, อมงค์เนี่ยเจาะ อ, อมงค์เนี่ยในอมงค์นั้นมันจะมีทั้งดินมีทั้งหินอ่ อ, อนมีทั้งหินแข็งมีทั้งอะไรสรารพัดเจาะ ก, กว่าจะทะลุเนี่ยต้องใช้ความพยายามสักเท่าไหร่ถึงจะเจาะทะลุได้อย่างน้อยๆเจ้าของเนี่ย ไปทําความชั่วมาลงมาเพื่อจะสร้างความดีตรงนี้ให้ที่ให้เป็นที่ปรากฏเป็นที่ทดแทนกับความชั่วร้ายของตัวเองเนี่ยพยายามจะเจาะอุโมงทะลุภูเขาลูกนี้ให้ได้เจาะไปเจาะไปเจาะไปยังไม่ทะลุไอ้ลูกชายของคนที่ถูกฆ่านี่ตามไปเจอเลยเนี่ยตามไปเจอเอ๊ะทำไมเนะี่ย ทำไมแล้วก็ทราบว่าคนนี้แหละข้าพ่อของตัวเองแต่าซา ม, มูไรคนนั้นก็ขอขอเวลาไว้ขอให้เราเจะ อ, อุโ ม, มงทะลุ ก, ก่อนขอให้เราเจะ อ, อุโ ม, มงทะลุ ก, ก่อนเถอะอในที่สุดผ่อนผันให้รอให้จะ อ, อุโ ม, มงท์ทะลุซะก่อนเพราะว่าถ้าจะ อ, อุโ ม, มงทะลุนี่จะได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยคนเขาจะได้เดินทะลุอุโ ม, มง์ไปไม่ต้องขึ้นภูเขายากลําบาก ในที่สุดก็เลยปล่อยให้ส ม, มุไรคนนั้นเจาะ อ, อุโมงจนทะลุแล้วคนนี้ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนในที่สุดได้ไปช่วยเจาะช่วยอะไรด้วยกันนะหลังจาหลังจากเจาะ อ, อุโมงทะลุแล้วเนี่ก็เห็นคุณเห็นความสามารถเห็นความอดความทนเห็นคนงามความดีเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งอกตั้งใจเอาเป็นเอาตายเข้าสู้คิดดูที่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากเท่าไหร่ เลยอาโหาสิกรรมให้เก่ ก, กันและกันพ่อก็ะไรตายไปแล้วเราฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็เป็นเวรเป็นภัยกันไม่จบไม่สิ้นในที่สุดก็ดเลยอาโหาสิกรรมให้แก่ ก, กันนี่คือคุณงามความดีอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นหนึ่งสามารถทดแทนความเครียดแค้นของผู้ที่เป็นลูกที่เคยไปฆ่าพ่อเขานะ่ะจนเขากลับเนื้อกลับตัวยอมเป็นมิตร อาโหสิกรรมให้ไม่ถือโทษโกรธเคืองโกรธแค้นแล้วก็ลูกคนนั้นก็พรอเห็นความสำคัญของคนคนนี้ด้วยการใช้ความอุตสาห์พยายา ม, มใช้ความภาคความเพียรคิดดูนี่เจาะวกเขาไปาทะลุมันตั้งกี่ปีส<ม>ี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีไม่รู้อะเจาะไปแล้ว้นไปเจาะไปแล้วคนไป นี่เป็นอุปมาที่เราดูว่าคนที่อุตส่าห์พยายามเพียรพยายามถึงขนาดนี้ก็มีแต่คนที่เป็นหลักที่เราควรทราบก็คือผู้ที่เป็นศาสดาของเราเนี่ยแหละศาสดาทุกๆศาสดาที่เป็นพระพุทธเจ้ามีความอุตส่าห์พยายามด้วยเรี่ยวแรงอย่างยิ่งยวดบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญบารมีกว่าจะได้บรรลุสําเตร็จตามเป้าประสงค์ได้เนี่ย ดูสทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัาถบารมีทานวัตถุภายนอกกายทานวัตถุนอกกายทานอย่างยิ่งยวดไม่มีใครสามารถทําได้มากยิ่งกว่าจากนั้นแล้วก็ทานอวัยวะของตัวเองน่ยทานลูกตาทานศีสระที่ประดับด้วยเครื่องประดับประดาอลังการแล้วเนี่ยทาน นี่ทานอุ ป, ปบารมีทานปรมัาทบารมีสละชีวิตมันยังเคยเป็นดาบดนั่นแหละอะเห็นแม่เสือลูกอ่อนแม่เสือลูกอ่อนมันหิวมันกําลังจะกินลูกมันะเลยโดดได้มันกินแทนแนี่สละชีวิตให้เป็นฐานนี่ดูที่พวกเราทําได้ไหมนั่นคือความพยายามความเพียรความพยายาม ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีดูซิแม้แต่สมัยที่พระองค์มาเป็นชจ้าชายชิตตะทออกบำเพ็ญนี่ทําความเพียรมีใครทําได้ได้ยิ่งกว่าไม่มีบรรดานักธรรมทุกกรกิริยาสมัยนั้นไม่มีใครทําเกินพระองค์ไปได้ดูแต่การเสวยเนี่ยเสวยเป็นปกติธรรมดาลดลงไปลดลงไปลดลด สมมุติอย่างสิบคำเนี่ยลดลงไปลดลงไปวันหนึ่งลดคำหนึ่งวันหนึ่งลดคำหนึ่งวันหนึ่งลดคำหนึ่งลดลดลดลลดจะเหลือหนึ่งเม็ดข้าวที่เข้าปากดูสินี่ทรมานเราดูดินี่ช่วงที่พระองค์เต็มเปียมแล้วนะที่มาจำมาบำเพ็ญที่บำเพ็ญเพื่อที่จะให้ตรัสรู้ในระยะเวลาถึงหปี นี่คือการสร้างบารมีต้องใช้เรี่ยวแรงถึงขนาดนั้นเขาอุปมาเหมือนกับทะเลเพลิงมองไปสุดลูกหูลูกตาลพระโพธิสัตว์มีความอาจหันสามารถลุยทะเลเพลิงไปได้ตลอดรอดฟังเราบขีดูคือความกล้าหาญของใจเหมือนอย่างเหมือนอย่างพระอะไรนะพระอะไรที่ว่ายน้ําทะเลนะพระอะไรนะ ร พ, พระมหาชนกเนี่เหมือนอย่างพระมหาชนกนอ่าพระมหาชนกไปค้าไปค้าขายไปสัมผัวอับปางสัมผัาอับปางกับไม่ตกตกใจคนอื่นก็าอกตก อ, อ, อ, อกตกใจหมดแหละถูกเรือดูดจมลงตายไปหมดแต่พระมหาชนกนี่อ่าเอาผ้าทาน้ํามันมาพัน มาพันมานุง่งมาพันเอาผ้าทาน้ํามันชุบน้ํามันแล้วมานุง่งแล้วก็ปีนไปบนเสากระโดงเรือนะ่ะพอเรือมันใกล้จะจมกมดโดดพุ่งไปไกลนูน่นให้พ้นรัศมีการนึงดูดของเรือที่มันจมลงไปนะั่นแล้วก็วไหวไปนั่น น, ะนี่ปัญญาด้วยมีปัญญาด้วยนะว่าจะเอาตัวรอดอยังไงเสร็จ แ, แล้วก็จมอยู่ในทะเลนนะ่ะมีก็ไม่มีใครช่วยไหวไปไหยไปไหยไปไาวไปว ปรารถนาเป็นรุ่นเจา้าได้ใช้ความเกินไปยา ย, ยามถึงขนาดนั้น อ, ะอ่ะทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยเข้าเขามาได้กินอะไรก็มาได้กินเห็นพระจันทร์เต็มดวงโอ้วันนี้วันพระวันเพน็ญพระจันทร์เต็มดวงอเอาน้ําทะเล บ, บวนๆปากแล้วก็อธิษฐานอรักษาศินแปดจนนางอะไรนางเม่ขลาที่รักษาทะเลนที่เคยเป็นอดีตเคยเป็น มันดานมาเห็นความพยายามก็เลยถามท่านจะวหาไปถึงไหนฟังก็มองไม่เห็นท่านจะใช้ความอุตสาหพยายามไปถึงไหน mm hmm. เราลืมซะแล้วไอ้ปรัช ญ, ญาคำพูดเด็ดๆตรงเนี้ยลืมหมดแล้วหละเคยดูจำได้แต่เรื่องคำพูดเด็ดๆนะไปอ่านดูนี่พระหมหาชนกนี่พิริยะบารมี สร้างวิริยะบารมีความเพียรพยายามในในที่สุดก็นางเมขลานก็สงสารสงสารก็อุ้มไปวางไว้บนบกในสุกรอดไปได้รอบคนเดียวบารมีช่วยด้วยบารมีอะไรช่วยก็บารมีคุณงามความดีที่ติดเนื้อติดตัวนั่นแหละนี่คือพระมหาชนกวิริยะบารมี มีหนังสือดูอยู่ในหลวงท่านเอามาสั่งสอนพวกชาวบ้านอยู่สอนพวกเราสอนประสบนิกรเราอยู่ให้บงเพ็ญบารมีให้เอาความเพียรเหมือนกับพระหมายชนกนั่นแหละปกติน้ําทะเลมจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ที่เอาเสื้อผ้าชุบน้ํามันเอาผ้าชุบน้ํามันเพื่อไม่ให้ปลามันมามากินไม่ให้ปลามากิน มาแล้วมาได้กลิ่นน้ำมันมันก็ไปนะดูความฉลาดด้วยเรียวแรงวิ่งว่ายไม่เห็นไม่เห็นฝั่งแต่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่พยายามจะว่ายไปถึงแล้วไม่ถึงยังเขาไปเจ้าจะว่ายไปด้วยความกุศลพยายามของขาา้าพเจ้าจะถึงหรือไม่ถึงขอได้ใช้ความพยายามตายก็ขอให้ตายด้วยความพยายามนูนฟังดูสิ<ม>ทานก็ทานซะจน ทานโกูกทานเมียนี่แม่ทิชชาติสุดท้ายเนี่ยชาติชาติบําเพ็ญเวชนดรนเนี่ยในกลับใกล้ๆเนี่ยทานโกูกทานเมียทานชาลีทานกันหาทานมาัดสี<ม>เบื้องแรกก็ทานช้างปัจจัยานาคเป็นช้างคู่บารมีช้างเนี่ยช้างตัวนี้ช้างเชือกนี้อยู่ที่ไหนฝนตกฝนฝ้าอากาศ ดีน้ามีน้ำมีอะไรทำนาได้ทำน า, ท ำ, นาทำไร่ชาวบ้านฝนตกต้องตามฤดูกาลช่างปัจจัยยานาที่ดีใเมืองเมืองกะลิงฆะกาลิงค ะ, ะ, งคะเนี่ยฝนแรงมาเจ็ดปีแล้วชาวบ้านจะกดยาจะเป็นจะตายแล้วก็เลยมาขอช่งอางบรารมีเนี่ยไปที่เมืองนั้นต้องการให้ฝนมันตกเพื่อชาวบ้านจะได้ทำนาทำสวนทำไร่ ปลูกพืชปลูกผักได้อยู่ได้กินเขาก็เลยมาขอพระเป็สันดอนก็เลยให้ไปพอเลยพอให้ไปชาวบ้านก็เลยไปยกโทษว่าให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไปแต่ช้างปัจจัยนาคคําว่าแต่คําว่าปัจจัยนาคก็คือเป็นปัจจัยช่วยหนุนการบําเพ็ญของพระพุทธเจ้านั่นแหละปัจจัยนาค เกิดมาเพื่อพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็ทานไปเป็นสมบัติของพระองค์แต่ใ น, นเมื่อชาวบ้านเขาไล่พระเจ้าศรีพระเจ้าศรีศรี พ, รพีก็ให้ออกไปตามที่ชาวบ้านเขาต้องการไล่นั่งรถนั่งราชารถไปเทียมมาไป ไอ้คนเห็นว่าพะเบตสันดอนเนี่ยใครขออะไรได้หมดใครขออะไรได้หมดตามไปขอช้างอ้ตามไปขอมา้าให้ให้ช้างไปแล้วเนี่ยหมดพอไล่ออกจากเมืองลาชาลีกันหาไปมัดซีนั่งรถเทียมม้าอย่างดีไปเขาขออีกอให้รถให้ม้าไปเดินแลยชนีดเดินทั้งอุ้มทั้งจูงทั้งไลไปแหละ เดินไปเดินไปเดินไปเดินไปคนมีบุญเน่ยพระอินทร์ก็ปอกมาในระมิดอาสมให้นะอยู่ดีสุขสบายมัดซีก็เป็นผู้ไปหาผลไมกรากาไม้มาพระเวทก็บำเพ็ญตะบะอยู่ในอาสมนั่นแหละไปบวชได้ไปบวช เ, เป็นฤาษีได้ทั้งพระเวทสันดอนทั้งชาลีทั้งมัดซีเนะ่ยไปบวชต่างคนต่างอยู่บำเพ็ญ บาเพ็ญศีลของฤาษีนั่นแหละชลีกันหาก็เป็นเด็กก็อยู่ตามภาษาเด็กไปมัดสีก็ไปหาผลไม้ม า, มาวันหนึ่งก็ได้มาพออยู่พอกินก็บาเพ็ญเพี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละเอาความดีภาวนาให้จิตได้รับความสงบบเาเพ็ญฌานมาเป็นสมาบัติอยู่มาอยู่ม า, าชูชกเห็นว่าประเวทนั่นแหละเขาไปขออะไรก็ทานหมดชูชกเลยอยากได้ลูก อยากได้ลูกมาอยากได้ชาลีอยากได้กันหามาเพื่อจะได้รับใช้อมิตรตาเนะมียสาวาอ่ะไปก็ไปพระเวทก็ให้แล้วระเวทพระเวทส่วนต่อก็เลยให้แต่ให้ในระหว่างที่นางมัดซีไม่อยู่นางมัดซีไปป่าแล้วก็ไม่บอกด้วยไม่บอยรู้ไม่บอยรู้ไม่บอยมัดซีรู้ล่วงหน้า พอมัดตีไปหาผลไม้เนี่ยพเอเป็ดไอ้ชุชกก็ไปขอไปขอก็ให้มาเลยชุยชกก็มัดมือ ม, มติก็ดึงมาทั้งตีทั้งอะไรเนี่ยเหมือนจูงหมาน่ะแหละเ <c oughs> มื่อกจูงขัวจูงควานเน่ยดือ้อเด็กเขาก็ดือด้อดือ้อกลัวะทั้งกลัวจะดึงจะดื้ตีอย่งั้นแหละเอาไปเอาไปเอาไ ป, ไปว่าจะไปเมืองนู้น ว่าจะไปเมืองกาลิงคะนอนไปนอนมาเอา้าหลงทางแล้วไปนูน่นเมืองศรีพีนั่นนะ่ะไปเจ้าปูนะ่น่ะก็เลยไปนูน่นแหละในสุดเกิดหลานทั้งสองก็เลยไปถึงปู่ปู่ก็เลยไถ่ไถ่เอาหลานทั้งสองเอาไว้เนี่ยชูชกเสร็จแล้วก็พระอิน ตำรีว่าเอ๊เขาขออะไรท่านให้หมดขอลูกโอรสธิดาท่านก็ให้ไปถ้าเพือใครไปขอมัดสีอีกท่านให้ไปอีกท่านให้ไปอีกท่านก็อยู่คนเดียวไม่มีใครรับใช้ท่านก็คงยันลำบากพระอินทร์ก็เลยแปลงเป็นผู้เท่าผมหงอกขาวโพนไปขอมัดสีไปขอมัดสีพ อ, อไปสันดอนก็เลยให้มัดสี แกผู้เท่าผมงอกขา่าโผล่นั่นซึ่งพระอินทร์จำแรงไปไปขอขอก็เลยให้หลังจากประทานให้ไปแล้วก็เลยฝากไว้ให้มัดซีเนี่ยดูแลรับใช้พระเวชสันดรนนี่เป็นอุบายของพระอินทร์นะฉลาดไหมพระอินทร์พระอินทรน์ก็พลอยได้บุญอีกเห็นไหมแปลงไปเป็นผู้เท่าไปขอมัดซี ขอเมียว่างั้นเถอะลูกก็ให้ไปแล้วเมียก็ให้ไปแล้วถ้าเอาหัวใจของเราไปใส่ทําได้ไหมให้ลูกได้ไหมให้เมียได้ไหมบางคนไม่รู้เอาหัวใจไม่เอาหัวเอาหัวใจเราไปใส่หัวใจท่านะมันเอาใส่ไม่ได้โฮ้ยท่านไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาให้ทานจนหมดเนื้อหมดตัวให้ทานจนหมดลูกหมดเมียเวลาท่านให้แต่ละครั้งท่าน ท่านปราบปรักทั้งช้างปัจจัยนาเอ๋ยมาเอ๋ยเนีทั้งชาลีเอ๋ยทั้งกัญหาเอ๋ยทั้งมัดสีเอ๋ยทุกอย่างที่เราให้ไปทั้งหมดเ อ, เอ๋ยจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่แต่พระโพธิญาณเรารักยิ่งกว่านั่นฟังดูที่พระโพธิญาณเรารักยิ่งกว่าเนี่ยเห็นไหม นี่คือผู้ที่เป็นต้นต่อที่เราควรดูให้เห็นกติเห็นตัวอย่างนแค่ทานอย่างเดียวบารมีอย่างเดียวทานบารมีศีลบารมีกับบาเพ็ญสิจนณเนคขมะบารมีออกบวชปัญญาบา ร, ร, ร, รมีเห็นพระมหสถไปอ่านดูพระมหาสดฉลาด ปมโหสถวิทยะบา ร, รมีมหาชนกขันติบา ร, รมีเมตตาการุณาเมตตาบา ร, รมีโอบเบคาบา ร, รมีชาติไหนเป็นชาติไหนจําไม่ได้ละที่ท่านบําเพ็ญมาเนี่ยบา ร, รมีทั้งสิบบาเพ็ญจนเต็มนั่นคือหนทางหนทางพระโพธิสัตว์บําเพ็ญเพื่อได้อัดได้ทำมาโปรดเวนัยสัตว์ กับการบำเพ็ญกับการบาเพ็ญของของพญามารนะกับการบำเพ็ญ ข, ของพญาม า, นะารา ม, ามีไหมทานมีไหมเสียสระมีไหมศีลมีไหมนั่นเราเทียบด้วยกันแค่นี้อ่เพราะฉะนั้นมันจะทะลุไปได้ยังไงเป็นพญามารสิ่งใดก็ตามที่อยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองภายใต้กำลังของตัวเองเอาชนะได้หมด แต่ว่าเอาชนะกิเลสที่มันละเอียดที่สุดในหัวใจของตัวเองเอาชนะไม่ได้เนีเอาชนะไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่กล้าเสียสละความสะดวกสบายไม่กล้าเสียสละเรี่ยวแรงไม่กล้าเสียสละอวัยวะไม่กล้าเสียสละชีวิตไม่กล้าเสียสละทําตัวให้ต่ําลงไปเหมือนกับยอมให้อ่า เวในสัตว์ทั้งหลายหรือบริสัท์บริวารทั้งหลายเนี่ยยีบยำ่ำดูแต่สมัยเป็นสเมเอธดาบทตนะ่ะถ้าจะทำทางเพื่อให้จดการก็ทำได้อยู่แต่ต้องการจะเอาอย่างงี้จะเอาตัวเองเป็นสะพานทอดนเป็นสเมเอธดาบทตเหาะไปเหาะไปอะไรพระพุทธทีพังกหรืออะไร ท่านเสด็จจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งมีพระสงค์เป็นหมื่นนะเดินผ่านไปเห็นชาวบ้านเขาเตรียมหนทางนี่เป็นฤาษีได้เหาะไปเนี่ยเหาะไปเห็นเขาทําทางอยู่ก็ลงไปนี่ยเหาะเหาะได้ก็คือมีพลังสมาบัติมีริดมีเดน่นเหาะได้ลงไปก็ไปทำของเขาแหละไปทำํำของเขาเนี่ยเหลือช่วงระหว่างตัว ตัวเองจะจะนอนเกยทางโนนเกยฝั่งนี้เพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าองค์นั้นเสด็จเจียบข้ามไปเป็นสะพานเนี่ยทำอย่างนั้นอะ่ะรู้สิในที่สุดเวลาพระองค์เสด็จจริงๆก็เอาตัวเองไปทอดให้พระองค์เดินผ่านก็พระพุทธเจ้าทั้งก็ดูทั้งรู้ว่าคนผู้นี้ฤาษีผู้นี้สร้างบารมีบาเพ็ญบารมีอ่พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านก็ทําเพื่อให้บา ร, รมีเขาสําเร็จเอ้เราก็ลืมเคยดูลืมแล้วแหละหลังจากข้ามผ่านไปแล้วเนี่ยตายหรื อ, อยังไงเฮ้ลืมแล้วนะก็หลังจากนั้นมาเนี่ยออกปากนะทําอะไรก็ออกปากต้องการพระโพธิญาณทําอะไรก็ต้องการพระโพธิญาณอ่าพุทธโธมิอนาคเตกาเล พุทโธโหมิอนาคเตกาเลพุทโธหมิอนาคติออกปากอที่ปรารถนายังไม่ออกปากเนี่ยโอ้ยมารู้ตั้งกี่กับตัวกี่กับโดยเฉพาะที่ออกปากเนี่ยทั้งสี่อาสงไข่แสนมหากับนี่ยระยะเวลาถึงขนาดนั้นนะเนี่ยต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามขนาดไหนความมุ่งมั่นใจเพชร ใจเด็ดใจเพชรใจแข็งเกินร้อยไม่งั้นเจาะไม่ได้เจาะไม่ทะลุฟังแต่ว่าตอนพระพุทธเจ้าของเราในตำนานพูดถึงพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธมันดาตลอดสามเดือนพอออกพรรษาวันเทโวนั่นแหละที่ชาวบ้านเราจัดบุญตักบาทเทโวนะพระองค์ลงจากดาวดึงลงจากดาวดึงมา ในวันที่พระองค์ลงจากดาวดึงมาบรรดาล h, media media media. ให้เทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์นรกมนุษย์เนี่ยเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกเห็นมนุษย์เห็นเทวดาทั้งสามชั้นเนี่ยสัตว์ทั้งสามชั้นเนี่ยเห็นกันหมดรูปโปรงเหมือนกับตามองเห็นเนี่ยธรรมดาเนี่ยบรรดาให้เห็นคือฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้วันที่ลงวัดวันเทโววันนั้นเนี่ยบรรดาลให้ เทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตนรกทุกๆขุมน่นะขุมนรกเลบันดาให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมองเห็นเทวดาปกติมันมองไม่เห็นหรอกแล้วก็เห็นสัตนรกโอ้นรกเป็นอย่างนี้โอ้เทวดาเป็นอย่างนี้บันดาฝูงชนทั้งหลายที่ไปรอรับเสด็จพระเจ้าลงจากดาวบันดึง์ตอนนั้นเนะ่เขาบอกว่าแม้แต่กระทั่งศักต์ตัวเล็กตัวใหญ่ที่พอจะรู้ภาษาเดียงสาภาวะ เห็นความอาเซจย์ของพระพุพทธเจา้าพุทธานุภาพต่างปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้าทั้งนั้นเลยว่างั้นนะทั้งหมดตัวเล็กตัวใหญ่ที่พอจะรู้เดียงสาเพราว่านี่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้าทั้งหมดเลยแต่การตั้งความปรารถนาเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วอผู้ที่ผ่านไปได้ก็เท่ากับเขาโค ให้ผูความตั้งความปรารถนามากเท่ากับขนโคเราฟังดูเอะเด็ดขนาดไหนเพ็ดขนาดไหนไปจะทะลุทะลวงไปได้นี่ปัญญาบา ร, รมีเฉยนะแค่เสียสงไขยแสนมหากรัปปัญญาบา ร, รมีแล้ไ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ้ปัญญาทิกะวิริยาทิกะสัทธาทิกะสัทธาทิกะนี่สิบหกอสงไขยคิดดูสิ วิทยาธิกะยิ่งด้วยความเพียรแปดอสงไขยยิ่งด้วยศรัทธาเนพระเสียยะเมตไตรเขาว่ายิ่งด้วยศรัทธาสิบหกอสงไขยยเพราะฉะนั้นท่านจึงมีบุญมีบารมีใครไปเกิดในศาสนาของพระองค์ได้ฟังธรรมแล้วจะต้องได้มรุธรรมแต่คนที่จะไปเกิดในยุคนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญนะในพัตตะกับพระพุทธเจ้าหพระองค์เนี่ย พระกุสันโทรพระโกนาคมโนพระกัตสโป ร, รวมทั้งพระโคตโมเนี่ยบางคนก็ตั้งใจว่าจะให้บรรลุตั้งแต่นู่นพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ยังไปไม่ได้องค์ที่สองก็ยังไปไม่ได้องค์ที่สามก็ยังไปไม่ได้องค์ที่สี่ก็ยังไปไม่ได้พยายามภาวนาพยายามรักษาศีลพยายามให้ทานยังยิ่งยวดจะไปได้จะไปได้ไปไม่ได้ตกขบวนทั้งสี่ขบวนไปไม่ได้ มีความอุตสาห์พยายามถึงขนาดนี้ถึงจะพอมีบุญได้เกิดทันเห็นพระเสียยะเมตไตรซึ่งเป็นขบวนสุดท้ายที่จะไปกับท่านไปกับขบวนของท่านในพัฒกับนี้เนี่ยพัตกับพระพุทธเจ้ามาอุบัติห้าพระองค์เราว่างง่ายที่ไหนพเพราะย้ำท่านจึงทรงพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้ายากอืม การจะได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมของพระพุทธเจนะ้ายากการได้ยินได้ฟังแล้วกว่าจะรู้ทั่วถึงธรรมะของท่านก็ยากการเมาบัตรเป็นมนุษย์นี่ก็ยากมันยากเท่านั้นแหละแต่พวกเราเกิดในยุคที่ง่ายทั้งหมดพระพุทธเจ้าธนบัติมาแล้วง่ายข้อหนึ่งง่ายแหละข้อสองการที่เราจะได้ยินเสียงอัดเสียงธรรม เราก็ง่ายแล้วเพราะท่านประกาศมาแล้วพระสงฆ์สาวกประกาศมาเป็นช่วงๆแล้วรามาถึงทุกวันมีครูบาอาจารย์ท่านประกาศบ า, บางองค์บางท่านท่านก็มีอัดมีธทรำรอย่างที่พวกเราโรโเล่ากันมีอัดมีทำรรก็คือจิตบริสุทธิ์เป็นพระอาหารหันต์ก็มีท่านเทศไว้ท่านสอนเอาไว้พวกเราอาภัพที่ไหนพวกเราได้ยินให้ฟังกันหมดเราก็มีโอกาสได้ยินได้ฟัง ฟังแล้วโอกาสที่เราจะเข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมของท่านก็ยากอันนี้เราก็ต้องโทษตัวเราเองเราให้ความสนใจน้อยใช้ความพยายามน้อยให้ความสําคัญน้อยให้ความสนใจน้อยที่จะทําเอาก็ทําเอาน้อยๆทําตามกิเลสมากกว่าเพราะฉะนั้นมันทิ้งไปยังย่งไปไม่ได้ยังไปได้ยากแต่ละที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ยาก เราก็มีสมบัติความเป็นมนุษย์เต็มตัวในเห็นไหมพร้อมหมดเลยน ะ, ะเราบกพร่องอย่างเดียวคือการที่จะตั้งตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปนตามนั้นนี่คือการบกพร่องเรามาเทียบดูคําสอนที่ท่านสอนแล้วกับความเป็นอยู่ความประพฤติของเราทําไมมันห่างกันเหมือนฟ้ากับดินความมุ่งหวังที่เราหวังจะได้เหมือนอย่างท่านเราในยะว่าแต่สิบหกกับ กี่กับเราจะทะลุทะลวงกันไปได้มาลุกกี่กับกี่กับกี่กับคำว่ากับกับหนึ่งคือระยะเวลาอายุไขของโลกกับหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งกันหนึ่งอสงไขอสงไขนับไม่ได้นับกลับไม่ทวนนับกลับไม่ได้ทีาเรียกว่าอางไขหนึ่งอสงไขหนึ่ง นับไม่ได้สังขยัยสังขยาแปลว่าการนับอสังขยาแปลว่านับไม่ได้สงไข่อขาศสงไข่มันับไม่ได้ระยะเวลา ย, ยืดยาวสิทุนเราดกความตั้งใจปรารถนาเด็ดเดี่ยวไม่ยอมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าวิธีการบาเพ็ญของท่านก็คือนั่นสรุปตรงแล้วว่าในบารมีทั้งสิบนั่นแหละบารมีทั้งสิบ ถึงขนาดก็ตามในช่วงระหว่างที่พระองค์บําเพ็ญบารมีระองคก็เป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างสาัตว์ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างเป็นช้างเป็นมา้าเป็นอะไรเป็นหมดตกนรกขุมนั้นขุมนี้ขุมไหนตกเหมือนกันผ่านมาหมดเพราะในหัวใจยังไม่ได้บําเพ็ญยังไม่ได้มีข้ออัดข้อธทมที่จะทําให้จิตบริสุทธิ์พุทโธได้กิเลสในหัวใจมันก็ยังมีอยู่ทําตามกิเลสบ้างทําตามธรรมบ้างทําตามกิเลสบ้างทําตามธรรมบ้าง ทำตามกิเลสบ้างทำตามธรรมบ้างแม้แต่พระชาติที่เป็นศิทยัทธะ ท, ที่อุบัติมากุ้ิีเจ้าของเราชาติสุดท้ายพระองค์ก็อบัติมาด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสเต็มแพร่ทั้งหมดกิเลสเต็มหัวใจเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแต่บา ร, รมีที่บำเพ็ญมามันเต็มเปี่ยมมันพร้อมที่จะหลุดพร้อมที่จะทะลุทะลวงไปได้ถึงกรนั้นก็ ต, าง ก, ตางก็ต้องไปบำเพ็ญทั้งหกปี การบนเพ็ญ6ปีของพระองค์ก็เป็นประจักษ์พยานว่าบรรดาลัทธิที่อินเดียสมัยนั้นเนี่ยมากมายหลายลัทธิแล้วเกินลัทธิเขาว่าลัทธินั้นดีงั้นโดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อคือครูทั้งหกเนี่ยมัคลิริโคสารอะไรอาชิตะกัมพลนิครนนาทบุตรมกุฏตกัะจายยนตะสัญชัยเวรัตบุตรอะไรเนี่ยที่เขาตั้งทั้งตัวเป็น เป็นพระอรหันต์เป็นศิษย์ศาสดาเจ้าของศาสนาของเขาเนะ่ยตามคนต่างบาเพ็ญไปคนละทิศละทางไปตามจริตตามนิสัยของคนบางคนก็ว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปคนจะดีก็ดีเองไม่ต้องทำทำบุญได้บุญไหมไม่ได้ไม่ได้เลยตายแล้วศูนย์นี่อย่างนี้ก็มีตายแล้วเกิดอีกก็มี ตายแล้วเกิดอีกเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติไปเป็นอย่างอื่นก็มีตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นยังไงก็เกิดเป็นอย่างงั้นชาตินี้เคยเกิดเป็นอะไรตายแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นอันนี้มันก็สุ่มเดาเอามันไม่มีขอ้อเท็จจริงอะไรก็ว่าไปตามสติตามปัญญาตามกําลังความสว่างของสติของปัญญาของไขอของเราไปเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทดลองทดสอบบําเพ็ญตะบะ ไม่มีใครสามารถทํามัดเทียบเท่าพระองค์บำเพ็ญได้อย่างยิ่งยวดอย่างรูปสมาปสมาบัติอารมูปสมมาบัตินั้รูปปิชาณอารูปปิชาณพระองค์ไปบาเพ็ญชั่วระยะเวลาไม่นานกับอุทกดาบุตาร阿拉ดาบุตรก็ได้ครองสมมาบัตินั้นเต็มเปีย่ยมคือภูมิของความสงบของใจ ภูมิของความสงบผองใจสงบไปแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นสง บ, งบไปแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นหาช่องออกไม่ได้ไม่มีปัญญายึดอยู่อย่างนั้นเกาะอยู่อย่างนั้นไม่มีช่องออกออกไปไม่ได้ค้างคาอยู่อย่างนั้นคือไม่ได้สร้างบารมีมาในทางนั้นเช่นอย่างอาจารย์ทั้งสองอุทกกดาบุลาระดาบุตรโอกาสที่จะบรรลุไปไม่ได้รู้ที่เจ้าเป็นลูกศิษย์ไปเรียนรู้ภายในระยะเวลาไม่กี่วันเสร็จแล้วโอ้มันไม่ใช่ทางนะ เรายังมีความทุกข์อยู่เนี่ยผลที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันไม่เป็นที่พอยใจของเราเลยก็เลยเออกไปบําเพ็ญเพียรใหม่เลยตอนนี้ไปมาเป็นตัณฑ์ไปบําเพ็ญอะไรต่ออะไรยังยิ่งยวดก็เลยมาได้ข้อคิดได้อุบายได้วิธีอะไรเนี่ยในที่สุดกระหันมาบําเพ็ญทางทางใจเมื่อก่อนนั้นมีแต่ทรมารร่างกายตอนหลังหมาก็กลับมาบําเพ็ญเพียรทางใจเนี่เริ่มเริ่มเข้าหลักแล้วนะ่ ความดำติของพงษ์เริ่มเข้าหลักแล้วคิดว่าบําเพ็ญย่างร่างกายทรมานร่างกายให้เหงื่อให้แห้งให้อะไรแต่อไรคิดว่าจะเป็นเหตุให้ได้บรรลุธรรมแท้ที่จริงรูปธรรมกั น, นา ม, มาธรรมบรําเพ็ญให้เกิดความสงบก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละแต่ช่องทางที่จะออกมันไม่มีช่องทางที่จะออกมันไม่มีในสุดวราระสุดท้ายบำเพ็ญเดือนหก เปปรร็ปรารภปรารภบเพ็ญเพียรทางหน้าจิตใจเมื่อก่อนนั้นคิดได้ก่อนนั่นแหละเลยหันมาบริโภคนำ้ำนมบ้างอะไรบ้างพวกปัญชาวะคีเขาเห็นว่าพระองค์อ้าวพองค์ทำทดีอยู่แล้วเนี่ยใกล้จะได้ใกล้จะบรรลุแล้วอะไรแล้วเนี่ยพวกนี้ก็นั่งนั่งคอยนอนคอยว่าจะคอยฟังธรรมะจากพระพุทธเจา้า ผู้ใจนบรรลุตามรู้เห็นตามในบ้างเห็นว่าองค์หันมาเสวยพยาาระกายฐานโอ้หมดแล้วหมดทําพวกเราหมดหวังแล้วอ่ะพวกเราหมดหวังแล้วหนีก็เถอะหนีก็เถอดหนีไปอยู่หนีจากตําบลอุรุเวลาเสียนานิคมไปอยู่นูน่นปิสิปตนะมฤคไทยวันคนละแคว้นคนละแคว้นถ้าเราเดินทางสักกี่วันก็ไม่รู้สิ บ, ส, บสิบวันกว่าจะถึงเรานั่งรถตั้งกี่ชั่วโมงสองสาชั่วโมงอ่ะ ถึงเงาเปล่าก็มม่รู้ใครเคยไปอินเดีย<ม>นั่งรถหนะทางนี้ดีนะ่ะดูดิ<ม>นีจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ความวิเวกวางเวงไม่มีใครมายุคมากวนนั้นนะ่ะนี่ก็เลยวาระสุดท้ายวันเพ็ญเดือนหกวันนั้นนะ่ะนอาุจชาดาเอาข้าวมาทุปใญญ้าไปถวายคิดว่าเป็นเทวดารับรั บ, ร, บรับทั้งถาทองคา แล้วก็ไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ในรัญชราปั่นปันปันปั น, ป น, ปนได้สี่สิบเก้าก้อนเสวยเสวยเสร็จแล้วอธิษฐานถ้าบุญบา ร, รมีเราถึงแล้วที่จะได้บรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธะขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำตั้งกิตอธิษฐานการตั้งกิจอธิษฐา น, าา น, ท, านท่านขอใครไหมท่านไม่ได้ขออะไรใครท่านอ้างเอาบุญบา ร, รมีเก่าของท่าน ทารบารมีเราถึงแล้วบุญเราถึงแล้วบารมีเราถึงแล้วขอยพลังอันนั้นอนะ่ะช่วยทําให้ทาทองคําเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำํำทาทองคําก็ลอยทวนกระแสน้ําเฉยเลยแหละลอยทวนกระแสน้ําไหลแม่น้ำในรัญชรามันไหลมามันไหลจากทิศไหนลงไปทิศไหนเราก็ไม่รู้ลอยทวนกระแสน้ำไปไปไปถึงตรงน้ําวน มันก็ดูดฐานน่ะจมลงไปอ่าถ้าเป็นเราเราเราก็ดีใจเลยโอ้เราสำเร็จแน่แน่สำเร็จแน่ๆน่สเร็จแน่นเนี่ยเห็นไหมอธิษฐานเนี่ยได้ผลอย่างนี้สำเร็จแน่แน่เลยเห็นไหมภูมิใจไหมนี่กำลังใจอันหนึ่งข้อหนึ่งวันนั้นพระองค์ก็ยังไม่กลับที่ตนโพนะสวยเรียบบทอยู่ริมน้ำแถวนั้นจนตะวันบ่ายใกล้ค่ำเดินกลับมาหาตนโพ แล้วก็มีนายโสธิยะอะสวายยาคาเปดกรรมเห็นประโยชน์รับไวเอามาเพื่อจะมาปูราดเป็นบรรลังมาปูราดเป็นบรรลังแล้วก็นั่งนับตั้งแต่ครบค่ํำตะวันต่ะวันใกล้ค่ําอีกในหนึ่งก็ว่าท่านอธิษฐานให้เป็นวัชระบรรลังนะอะอะอธิษฐานให้เป็นวัชระบรรลังวัชระบรรลังก็โผล่ ผลขึ้นมารองรับพระองค์ด้วยบุญญาบา ร, รมีของพระองค์วัชระบรรลังที่เขาพูดถึงว่าพยายามานไปตูเอาพยายามานไปพยชนทุกอย่างเต่บา ร, รมีของพระองค์นี่กั้นหมดเหมือนก็อยู่ภายในกรอบแก้วทําอะไรไปยิงจรวดยิงดาวเทียมยิงอะไรไปใส่ทําหอกเอ า, าเหลาอะไรไปแทงก็ท่าพระองค์อยู่ในกรอบบา ร, รมีมันคลุมไว้เหมอนก็กรอบ ไม่ไม่ถึงพระกายของพระองค์ไม่ถึงพระกายของพระองค์ไม่ได้รับอันตรายเลยพยามานก็หมดจนปัญญาหมดปัญญาไหนสุกเลยตู่เอาเอา่าท่านจงนึงหนีจากวัชรบัลลังก์เนี่ยนี่เป็นวัชรบมลลังก์นี่เป็นของเราท่านจึงหลีกไปนี่พยานเราเต็มไปหมดก็าพาลูกสมุนพักผู้องค์ขามาเต็มไปหมดนี่นี่นี่พยานของเราเต็มไปหมดถ้ะทานะมีใครเป็นพยานท่าน ทนบว่าวัชรมันลังเป็นของเราเกิดขึ้นด้วยบุญบา ร, รมีของเราเพราะท่านพูดยังไม่จบคำก็ น, นางอะไรนะนางธรณีโผล่ขึ้นมาแหละหม่อมฉันนี่แหละเป็นประจักษ์พยานแค่พระองค์ทำบุญกรวดน้ำอุทิศลงสู่พื้นดินนี่ก็มีผมติดอยู่นิดหน่อยเอาผมมาบี บ, บ, บ, บ กลายเป็นน้ำทะลักพยายามอ่านแต่ก็เจิงอันนี้ในหนึ่งท่านพูดไว้อย่างนี้เราก็ฟังไวอ้อีกในหนึ่งก็ว่าท่านไปปูยากคาแล้วก็นั่งสละกรที่จะดำรงตนเน่นหนา ม, มันคงอธิษฐานอีก อ, อธิษฐานอีกอถ้ายังไม่บรรลุพระพระสัมมาสัมพุทธญาณเพียงใด เนื้อเลือดเหงื่อแห้งไปเหลือแต่นังนังหุ่มกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดหลังจากสเสวยพระกยาหารสี่สิบเก้าก้อนนะ่ะของน้ำสุจาดาเข้ามาทุกประยาตฉันจนหมด4ี่ก้อนนะ่าจะเยอะพอสมควรก็หลังจากนั้นมาตั้งแต่พระองค์ตัดสินใจวันนั้นอนะ่ะอดอาหาร4ี่สิบเก้าวันนะก่าจะไปสเสวยอาหารอีกนะ ยังไม่ฉันนั่นนะ่ะในระหว่างบาเพ็ญก็ไม่ฉันบําเพ็ญบรรลุมาแล้วก็ยังไม่ฉันดูแต่ท่านไปทําปาฏิหาริย์ที่ตรงนั้นเจ็ดวันตรงนั้นเจ็ดวันตรงนั้นเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าวันพอดีจากนั้นมาถึงสเสวยพระกรยาหารพอเริ่มตั้งบําเพ็ญก็ด้วยอานาปานสติเห็นไหมอนาปานาอนาปานสติพระองค์เคยทําตั้งแต่สมัยเป็นเด็กที่ ท, ทพระบิดาไปแรกนาควัน ทำอนาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะดูลมดูลมลมนี้เป็นกายเอาผู้รู้คือจิตผู้รู้เนี่ยดูลมคือร่างกายนี้มันมีชีวิตอยู่ของมันแต่ก็มีลมเป็นเครื่องปรนเปรอขาดลมก็ขาดสายใยอันหนึ่งชีพนั้นก็ขาดลงได้แต่ว่าลมทั้งหมดเป็นชีวิตก็ยังไม่ใช่ ลมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตนี้อยู่ได้พิจารณาลมพระองค์ก็ตั้งบำเพ็ญก็ขนาดรูปปะสมบัติอรูปปสมัติพระองค์ก็ได้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วการกำหพิจารณาลมก็เท่ากับเจริญมหาสติเท่ากับเจริญวิปัสนาไปเลยในขณะนั้นนะเห็นไหมในปท ม, มิยามได้บรรลุปุกเพนิวาส า, สานุสติญาณ ระลึกถึงชาตินหลังได้ไม่มีประมาณรลึกระลึลึลึเป็นกับกับเป็นกับพัตกกับเป็นวิวัฒกกับไม่มีจบไม่มีสิ้นระลึกไปจนละเห็นหมดเกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิตเห็นพบจะไหนชาติไหนเห็นแต่เกิดกับตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตโอ้หน้าเบื่น่ายเหลือเกินอบชาติของเราหน้าเบื่อหน่ายเหลือเกินในถ้ำกลางของราตรีปัจฉิมัชมยาม เกิดยานอีกอันหนึ่งขึ้นมาจุกตูปปาติยานเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติเคลื่อนจากตัวนี้ไปตรงนั้นเคลื่อนจากตรงนั้นไปตรงนี้สัตว์ตัวนี้เคลื่อนจากนั้นมาเกิดตรงนี้สัตว์ตัวนี้จุติจากตัวนี้จะไปเกิดที่โน่นที่นี่อย่างนั้นเห็นกรรมทําทให้สัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันจากที่นี้ไปเกิดที่นั่นจากที่นั่นไปเกิดที่นี่ด้วยอํานาจของกรรมไม่มีประมาณมากมาย ม, ามาหาสันไม่มีประมาณเนี่ย วาระทรรมกลางก็เห็นสัตว์ทั้งหลายลเกิดตายเกิดตายกิดตายเหมือนกับพระองคนั่นแหละตอนหัวคำ <c oughs> เห็นพบ <c oughs> ชาติของพระองค์คนเดียวพอทรรมกลางราตรีเห็นพบชาติของสัตว์ทั้งหลายอู้น่าเบื่อหน่ายเลยเกิดเนามีแต่เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายก็พิจารณาหลองใจอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดให้ตายกันแน่นี่หันสู้เลยตอเนี่ยหันสู้แล้วเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดให้ตายกันแน่ แท้ที่จริงความพล่องใจอันนี้มันก็มีมาตั้งแต่ออกบวชอยู่แล้วที่ท่านพูดเปรียบเทียบว่ามีร้อนก็มีเย็นแก้มีมืดก็มีสว่างแก้เนี่ยมีหนาวก็มีร้อนแก้มีเกิดน่าจะมีไม่เกิดแก้มีโง่ก็น่าจะมีฉลาดแก้คิดในแง่ตรงกันข้าม ว่าเอ้ะบรราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีของแก้กันนี่เป็นอุบายเป็นวิธีนะเป็นแง่ฉลาดของท่านตั้งแต่ก่อนออกบวช น, นะเป็นเหตุข่องใจทําให้พระองค์ไปแสวงหาเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็ข้องใจเพิ่มขึ้นมาอีกวิปัสสนาญาณ้นเกิดขึ้นเต็มที่เลยทําให้พระองค์หมุนไปหมุนกลับไปหมุนกลับมาสอะหาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดกันแน่นะ แต่วาระนี้มันเป็นวาระที่บำเพ็ญเพียงที่จิตส่งกระแสมาที่จิตของตัวเองดูถึงความเป็นไปของจิตความเป็นอยู่ของจิตความเป็นไปของจิตความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ของจิตเสาะไปเสาะมาเสาะมาเสาะไปก็เข้าหลักเข้าหลักของเหตุของผลเข้าหลักปัจจัยการเข้าหลักอ ร, ริยสัจสี่เห็นทุก ข, ข์ทั้งหลายทั้งปวงของตัวเองของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเห็นทุกข์ ก็คือดูทุกคือพิจารณาทุกเห็นโทษที่จิตของตัวเองเห็นสมุทยัยคือโทษมันเกิดที่จิตมันอยู่ที่จิตมันเข้าหลักอริยสัจสี่พอเวลาท่านบรรลุมาแล้วท่านเอามาวางเป็นแนวแถวให้เราศึกษาดูทุกความทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุมีเหตุ ก, กับผลสรุปลงแล้วมีเหตุ ก, กับผล มีเหตุกับผลอ๋อมีสีนั้นก็มีมีเพราะสีนั้นมีสีนี้จึงมีมีสีนั้นมีสีนั้นจึงมีเป็นหลักปัจจัยาการเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักอริยสัจสีนี่วิธีประพฤติปฏิบัติสรุปลงแล้วก็รวมอยู่ลงอยู่ในมหาสติปัฏฐานสิจะพิจารณากายก็ได้พิจารณาไปจนได้สุดสาย สมัติบรรลุได้พิจารณาใจอย่างเดียวก็สามารถบรรลุได้พิจารณาเวทนาสมัติพิจารณาไปจนสุดสายพิจารณาอย่างเดียวก็สมัติบรรลุได้พิจารณาจิตก็พิจารณาไปอย่างเดียวจนสามารถบรรลุได้ก็สมัติบรรลุพิจารณาธรรมพิจารณาไปอย่างเดียวก็สามารถบรรลุได้แต่ละสายแต่ละสายไม่คล้องแวะกับใครแต่เรามาฟังดูหลวงตาท่านสอนท่านสอนเปล่ไม่เหมือน ไม่เหมือนที่เราได้ยินได้ฟังนลองตาท่านสอนให้เราพิจารณาในขณะนั้นน่ะสับไปสับมาย้อนมาดูที่กายบ้างย้อนมาดูที่จิตบ้างย้อนมาดูที่ทุกบ้างเวทนาในขณะที่เรานั่งเจ็บนั่งปวดนั้นท่านให้ดูย้อนมาดูที่จิตจิตมันแสดงความยินดีมั้ยินร้ายไหมเนี่ยคือพิจารณาความเป็นไปของจิตดูมาที่เวทนาเวทนาเป็นเราไหม เราเป็นเวทนาไหมดูไปที่กายกายเป็นเราไหมเราเป็นกายไหมกายทุกไหมเวทนาทุกไหมหนูตาดอะไรดูได้พิจารณาแล้วก็ย้อนมาที่จิตจิตกอสักจะว่ารู้ทําถึงที่เพราะทำถึงที่มันต่างอันต่างจริงทําถึงที่มันต่างอันต่างจริงพอถึงตอนนั้นและอุปาทานที่มันเคยมีในหัวใจ มันก็เบาบางไปบางทีมันก็ขาดไปเลยอุ ป, ปาทานมันขาดที่ประยึดว่าเราทุกข์ที่ประยึดว่ากายเราก็เพราะอุ ป, ปาทานตัณหาอุ ป, ปาทานมาด้วยกันที่ว่าเวทนาเจ็บปวดที่ว่าเราเจ็บที่ว่าเราปวดก็เพราะตัณหาก็เพราะอุ ป, ปาทานมันพายึดมันยึดเอาถือเอาพา ย, ยึดพาถือเอา เมื่อจอไปที่จิตมันเห็นมันเห็นแล้วมันรู้ที่เกิดรู้ที่ดับเข้ามามันก็ไม่กล้าโผล่เข้ามามันที่ย้อนไปเอาสติเอาปัญญาย้อนไปเอามักย้อนไปย้อนไปไปเจอมันไปสปาร์คชับมันก็สลายไปนัตัณหามายุบย่อไป อุปทาอุปท า, านมันก็ไม่มีถ้าเพิ่อสงบก็ต่างคนต่างสงบต่างคนต่างอยู่ที่ท่า น, นว่าต่างอ่านต่างจริงเนี่ยลุงตาท่านท่านพูดเรื่องมหาสติท่านสรุปมาตรงนี้แล้วเราลองเราลองไปทํารู้ตามที่ท่านท่านเน้เอาไว้ท่านในพิจารณาในขณะที่เราเจ็บปวดนี่เพื่อให้รู้ว่าเรามีอุปาทานมากน้อยขนาดไหนเพียงไรมันเป็นการเจริญมันเป็นการดู วิปัสสนาไปสดสดร้อนรอนต่อหน้าเราเลยแหละอันนี้เป็นการต่อสู้อย่างสดสดร้อนๆเลยดูสัจจะอย่างสดสดร้อนรอนเลยดูความเจ็บความปวดบางทีก็ขาดเงียบหายไปเลยบางทีก็ตั้งอันตังอยู่ตั้งอันตังจริงปรากฏอยู่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจถึงตรงนี้ ตันหาของเราอุปาทานของเราก็เต็มแพร่อยู่ในนั้นนี่เราพูดมาถึงพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาถึงตรงนี้วรรคสุดท้ายในปัชิมยามท่านมีญาณอาสวยายาัคยญาณมันเป็นญาณอย่างหนึ่งรู้ว่าอาสวะในหัวใจของพระองค์หมดจดโดยชิ้นเชิงอาสวยายาัคยญาณญาณรู้ว่าอาสวะสิ้นแล้ว อาสวัคยะอาสวคยเนี่ยอาสวสิ้นสิ้นไปขาดไปสิ้นไปหมดไปจากหัวใจมียานโผล่ขึ้นมาประทับให้รู้ให้เข้าใจอีกว่าโอ้อาสวัคในหัวใจของเราหมดหมดแล้วหมดจดแล้วความบริสุทธิ์ภายในใจของเราเนี่เต็มรอบแล้วคุณสมบัติเพียงพอแล้วไม่มีคุณสมบัติอื่นที่เราจะต้องแสวงหาอีกแล้วพอละพอละพอใจแล้วพอใจแล้ว เปลงอุทานออกมาถ้าภาษาบ้านเราภาษาพุ้ดุชนเราก็เหมือนกับว่าท่านดีใจผลงานที่มีพิสูจน์แล้วสําเร็จอเอาแม้ต่เอาไปโปรดปัญจพักคีพระอัญญาโกฏัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพระองค์ก็อุทานเนี่ยอัญญาสิวัตโพวัฏยอน ญ, ญาสิวัตโพวัฏยโยโกฏัญญาได้รู้แล้วเนอะได้รู้แล้วเนอะเมื่อก่อนนั้นเรารู้ พอเรามาสอนลูกศิษย์เราลูกศิษย์เราก็ปลอยรู้เหมือนเราได้อุทานมันเป็นคําอุทานออกมาถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราผู้ดชนก็ว่าดีใจเ่านั่นแหะดีใจปลื้มใจดีใจที่เราทําได้ผลเนี่ยมีหรือไม่มีคําอุทานออกมายอมรับโอ้เกิดผลได้จริ ง, อรงยอมรับวีมุติ วิมุตติยาณทัทสนะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็จางเมื่อจางเมื่อเบื่อหน่ายคลายจางก็วิมุตติวิมุตติคือคือมันพ้นเมื่อพ้นไปแล้วมันมียานคือความรู้อย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมากำกับอีกรู้ว่าเราพ้นแล้วก็เหมือนอย่างอาสวะขยายนอาสวะขยายนกับญาณทัทสนะ วิมุตติญาณทัศน์นมันเปอันเดียวกันอาสวกยายญาณรู้ว่าเจ้าของหมดอาสวะในหัวใจแล้วกับวิมุตติญาณทัศน์มีญาณย่างรู้เห็นว่าเจ้าของในคนแล้วจากส ม, มุติ นี่เป็นหลักที่ท่านพูดเอาไว้ท่านแสดงเอาไว้เป็นกรุยหมายป้ายทางพวกเราเถราวาสเราได้ยินเสียงอัดเสียงทำที่เป็นหลักเก่าแก่นั่งเดิมและตรงเป้าไปสู่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงสิ่งที่เราว่ายา ก, ยากเราได้ประสบพบเห็นหมดแนละ้วแต่มันยากอย่างเดียวว่าเราขี้เกียจตอนนั้นเอง มาจบลงด้วยขี้เกียจกนแล้วกันเริ่มต้นด้วยขี้เกียจจบลงด้วยขี้เกียจอ่าพอสมควรแก่เวลาวันนี้